ชีวธรรมที่มีชีวิตอยู่นั้นจะเยี่ยมหน้าแงานขึ้นไปโดยนบพดลประเทศเวหาเปิดจักขุถวานคือลืมตาแลไปบนอากาศก็จะเห็นดวงดาวดาดเวหาแล้วก็เอาเถิดที่นี้จะให้เปิดถวานหูแล้วจะแงนขึ้นไปฟังบนอากาศจะได้ยินเสียงเหมือนจกักขุเห็นดาวบนอากาศหรือประการหนึ่ง